ขอโมทนากับพวกเราในะตั้งใจที่จะฟังพระธรรมถ้าถามต่อไปในข้อที่สท่านถ า, ถามถึงอะไรเป็นอนิสงเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติในศีลนั้นเดี๋ยวท่านจะไปตอบอนิสง mm hmm. เห็นไหมว่าท่านจะต้องศึกษาครบชดุด ค, ครบกระบวนการอย่างเงี้ยมันถึงจะเข้าใจเรื่องศีล ถ้าศึกษาไม่ครบกระบวนการอย่างนี้นะในสุดจริงๆเนะี่ยก็ไม่กล้าที่จะรักษาศีลไม่มั่นใจในการรักษาศีลแล้วไม่พร้อมที่จะยอมสละสิ่งต่างๆเพื่อการเจริญกุศลศีลทุกวันเนี่ยใจเรายังติดข้องอยู่เยอะหนึ่งติดข้องในราบสการะ เราเห็นลาบสการาดีกว่าศีลแ น, น่นอนตอนนี้เพราะเรายังไม่ได้ฟังบุตศลศีลให้เห็นอย่างชัดเจนเน่จะต้องเป็นไปลักษณะอย่างนั้นประการต่อมาคือว่าเรายอมเรายอมเสียศีลเพื่อยศตำแหน่งใช่ไหยอมนะเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจศีลดีสามเรายอมเสียศีลเพื่อรักษาญาติมิตร ถ้าเรื่องญาติเราเอาไว้ก่อนเอาเสียศีลไม่เป็นไรขอญ า, าติไว้ก่อนตอนนี้เพราะเรายังไม่มั่นใจยังไม่เข้าใจในเรื่องศีลประการต่อมาหนักไปกว่า น, นั้นก็คือว่าเรายอมทิ้งศีลแต่เอาเอาวัยวะไว้เห็น ไ, ไหมไม่กล้าสละอวัยวะเพื่อศีลแต่กล้าสละศีลเอาเอา ว, วัยวะไว้นั่นคือกลุ่มคนยังไม่เข้าใจศีลประการต่อมาก็คือว่า เราก้าเราไม่เอาศีลแต่เราจะรักษาชีวิตไว้เห็นไหมศีลของเราจะมีที่สุดหมดเลยมีลาภสกาละเป็นที่สุดมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่สุดเห็นไหมมีญาติเป็นที่สุดมีอวัยวะเป็นที่สุดแล้วก็มีชีวิตเป็นที่สุดศีลของเราจึงเป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์เป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะเป็นศีลที่เป็นไปที่เจือกตัญหามานะทิฏฐิเพราะไม่เข้าใจแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งศึกษากุศลศีลมีความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเข้าใจอย่างชัดแจ้งนะแล้วเราจะรู้ว่าศีลสำคัญที่สุดเด๋ยวมายกตัวอย่างตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเอาไว้ประกอบเมื่อมีเวลาขยายความยกตัวอย่างให้เห็นว่าศีลเป็นสุจริตกรรมถ้าไม่มีศีลเป็นทุจริตกรรม ถ้ามีศีลเป็นกุศลไม่มีศีลเป็นอกุศลถ้ามีศีลเป็นบุญถ้าไม่มีศีลเป็นบาปถ้าไม่มีศีลเป็นทุจริตถ้ามีศีล ah เป็นสุดจริศใช่ไหมฉะนั้นสุดจริตกรรมเป็นกุศลแลศีลทุตจริตกรรมก็เป็นการไม่มีศีลที่กล่าวนี้ทีนี้ประเด็นต่อมาว่าเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเราท่องกันที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมมะสะกาสตาเนี่ย สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอยู่ไหมนี่มาพิจารณาบอกว่าเราเข้าใจว่าเงินทองแก้วแหวนนาฬิกาทรัพย์สมบัติทั้งหลายรัตนาชาติต่างๆเพชรนินจินดาทั้งหลายเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของเราเราเข้าใจกันอย่างนั้นแหละ แล้วก็เข้าใจว่าเป็นทรัพย์สมบัติของของเราอย่างถาวรด้วยแต่ข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้นมากเพราะเงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนเงินทองต่างๆเหล่าเนี้ยมันมีภัยมากมายเยอะแยะหมดบางครั้งเราหายใจยังไม่ขาดแต่เงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนเงินทองนั้นตกไปเป็นของคนอื่นเรียบร้อยแล้วอันนี้บ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าเงินทองแก้วแหวนต่างๆเหล่านั้นน่ะไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของ สัตว์ทั้งหลายแต่สุจริตกรรมคือกุศลศีลทั้งหลายเป็นต้นและทุจริตกรรมคือการทุศีลคือกายทุจริตวิจิตรจริตและมโนโ ท, ทุจริตบาปอกุศลธรรมมลามกทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบุญและบาปต่างๆเหล่านี้ต่างหากเป็นทรัพย์สมบัติของสัตว์ทั้งหลายอย่างแน่นอนเพราะมันจะตามกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งในปัจจุบันภพทั้งในอนาคตภพ นั้นกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่ยังต้องเวียนไหยตายเกิดเป็นไปในสังสารวัตข้างหน้านี่นะมันจะมีอยู่สุดเจริญกรรมและทุจริตกรรมนี่แหละท่านทั้งหลายมันจะตามติดถ้าทุจริตกรรมมันจะตามเบียดเบียนกระแสชีวิตของท่านนะ่แต่ถ้าหากสุดจริตกรรมมันก็จะตามส่งเสริมกระแสชีวิตนะเอาสิแล้วหนึ่งในนั้นคือกุศลศีลเนะี่ย ถ้ากุศลศีลที่เรามีความเข้าใจเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะตามให้ผลตามให้ผลยังไงตามส่งเสริมกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั่นะให้เข้าสู่ความสุขความเจริญ อ, อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรา่มจะมองเห็นหว่าจริงๆตัวกุศลศีลกับการที่ไม่มีศีลเนี่ยอะไรเป็นความสาคัญมากกว่ากันเราก็จะเห็นชัดเลยว่าถ้าทุศีล หรือถ้าทุจริตถ้าบาปอากุศลธรรมารามเกิดขึ้นมาในกระแสใจอยู่เรื่อยๆในสังสารวัฏนี่นะเราก็จะเห็นชัดเลยว่าชีวิตเนี่ยเมื่อเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นปัจจัยแห่งการที่จะทำให้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายหรือทั้งกุศลทั้งหลายมันตามเบียดเบียนบ้างตามส่งเสริมบ้างถ้าเรารู้อย่างนี้ เราจะรู้เลยว่าทรัพย์สมบัติเงินทองรัตนชาติมันตามได้เฉพาะปัจจุบันนะพบแม้ปัจจุบันนะพบก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่กุศลศีลของท่านทั้งหลายที่สามารถเก็บได้เป็นแต่ละนา ท, แนา ท, านาทีแต่ละชั่วสิบนาที30นาทีแต่ละชั่วโมงทั้งหลายเนี่ยตัวกุศลศีลทั้งหลายที่เราพอกคูณเก็บทุกวันทุกวั น, ท, ว น, ท, วนทุกวันเก็บอย่างต่อเนื่องไม่ให้หลุดไปจากใจได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้จังหาที่จะตามติดเราท่านทั้งหลายเอาที่เนี่ยถ้าใครมีบ้านมีตึกหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยคิดว่าตึกมันจะตามเราไปในพบหน้าได้ไหมเนี่ยไม่ใช่พบหน้าอย่างเดียวเรกเดินออกไปวิยี่สิบเก้ามันก็ไม่วิ่งตามเราแล้วแค่เดินออกไปไม่ถึงยี่สิบเก้ามันไม่มีล็อกตึกมันวิ่งตามแล้วมันไม่เคยไปตะโกนบอกเลยนะว่ามันเป็นของเราใช่ไหมมีแต่เราเท่านั้นแหละมาตะโกนว่านี้เป็นตึกเราเนี่ยเป็นของเราเนี่ยนะ เพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรามายึดถือเองแต่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่มันเป็นของสาธารณะโดยหลักแท้จริงก็คือมันดินน้ำไฟลมเรานี่แหละแท้ที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเคยพูดครั้งที่แล้วบอกว่าตึกหลังนี้ที่เขาทำมาเพื่ออะไรเพื่อให้มีการฟังธทมกันศึกษาทำกันรประพฤติปฏิบัติทมเขาบูชาพรธเจ้ามดแล้วนี่นี่ ส่วนคนมีปัญญาไม่ค่อยมากเท่าไหร่ทั้งหลายมาดูก็ยึดติดแล้วแหมถ้าเป็นของเราจะดีนะแท้จริงเขาคนมีปัญญาเขาใช้การบูชาพระเจ้ า, เามาพูดค่อนข้างบ่อยครั้งมากว่า พ, พื้นแผ่นดินใบเนี้ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าตากสินมหาราช ท, ท่านถวายเป็นพุทธบูชาฉะนั้นพื้นแผ่นดินทุกอ น, นูทุกเม็ดใช่มที่เราเหยียบย่าไปเนี่ย เป็นสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วเพราะเจ้าฟ้าจะเป็นดินท่านกู้บ้านแปลงเมืองมาเพราะท่านต้องการถวายเป็นพุทธบูชาแล้วบัตรนี้ท่านก็ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ชีวิตของท่านนั้นก็แตกดับไปหมดแล้วแต่ผลของกุศลกรรมที่ท่านทำนั้นก็ต้องตามส่งเสริมท่านแน่นอนใช่ไหมเพราะท่านได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ท่านบอกว่าท่านจะถวายแผ่นดินนี้เป็นเป็นพุทธบูชาพระแด่ศาสนาสมณะพระโคดมเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกหลานของท่านที่เกิดขึ้นมาเป็นคนไทยทั้งหลายเนี่ยได้เหยียบผื้นแผ่นดินนี้มีความตะหนักระลึกถึงคุณของพระศาสดาว่าอันนี้เป็นสมบัติของพ่อเป็นสมบัติของพ่อคือเป็นสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้า จะได้เห็นคนของพระศาสดาเมื่อเราเหยียบย่าในพื้นแผ่นดินในประเทศไทยเป็นต้นเหล่นี้นี่คือคนมีปัญญาทั้งหลายเน่ยเขาทําเรียบร้อยเปียเสร็จแต่เราจะคิดออกหรือไม่ถ้าเราคิดไม่ออกเราคิดไม่ได้ก็ต้องไปว่าเออเป็นเพราะอะไรถ้าสมมติว่าเป็นพื้นแผ่นดินเราสักสิหรือสักไร่สองไร่เนี่ยเรากล้าถวายเป็นพุทธบูชายอย่างท่านไหม ร่า ไ, ไหมแต่ทําไมท่านน่ยปกครองทั้งประเทศน่ยถ้าหากว่าทางทางภาคเหนือเนี่ยสิบสองปัรณาสิบสองจิวไทยเยอะหมอาชาทางภาคใต้กะดันตันกะดันต น, นูถึงมารากาโนอ่อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้ า, าทางเสียมราฐพระพระตะบองเนี่ยเวียงจุงเวียงจันเนี่ยนะสรุปเสร็จเสร็จเนี่ยว่าพื้นแผ่นดินที่ท่านถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมิใช่น้อยอย่างเงี้ย แต่ถามว่าคนที่เหยียบพื้นแผ่นดินแล้วน่ยมีความตระหนักในคุณของพระบรมศาสดาไหมว่าท่านเห็นอะไรท่านเห็นอะไรในพระคุณของพระศาสดาเพราะท่านเห็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมาปัญญาวิริยขันติสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและผุเบขาบารมี เห็นอุปรปรบริสิบและประมัทธบรมิสิบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเหนื่อยยากลำบากอุตสาหะสั่งสมเพียรพยายามอย่างสหัสกันจนกว่าจะได้มาตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วนำแทงตลอดปฏิเวทธรรมจักที่บริเวณโพธิมณฑนที่ใต้ นั่งประทับที่พระแท่นวัชิระอาจใต้ต้นพระศรีมหาโพลวันเพ็ญเดือนหกขึ้นสิบห้าค่ำเข้าไหมแล้วต่อมาพระองค์ก็ประกาศเทศนาธรรมจักรที่ป่าอิสิปัตนะบฤุกทายวันแฝงเมืองบารานสีนะเมื่อพระองค์ประกาศเทศนาธรรมจักรนั้นคืออะไรพระองค์ก็ประกาศาสติปัฏฐานสม ป, ปทานอิธิบาทอิศิปราพุทธชงอริย ม, มัคิยงแป ประกาศให้กองล้อของธรรมคือถ้าย่อ ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่เราจะมาเรียนกันเรื่องศีลเนี่ยนี่คือคือพระธรรมาจากของพระเดียดวงเราต้องการอยากจะเอากูสวนศีลเหล่านี้ที่พระบรมศาสดาประกาศนะ้าป่ายศีปัณ น, นะมฤรขทายวัรเนี่ยซึ่งกงล้อเหล่านั้นน่ยกลิ้งเข้าสู่กระแสขันของพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายเหล่านี้ ท่านเหล่านั้นก็ได้ดื่มดามรสของพระธรรมได้เอืบอานน้ําอวรถธรรมต่างๆก็ได้รับสวยความสุขกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วเข้าถึงอมตะกล่าวคือการได้อนุปาธาปณิพานกันอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วเราก็ปรารถนาความดับทุกข์อย่างนั้นไงถึงได้น่าว่าเป็นพุท ธ, ธเมื่อปรารถนาความเป็นพุท ธ, ธะอย่างนั้นเบ็เสร็จเราก็ได้ฐานะความเป็นพุท ธ, ธะและ พระพุทธะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าตัดสรู้อริยสัจสี่ใช่ไหมต้องการรู้สัจจะความจริงว่านี้ทุกเนี่ยเป็นสัจจะยานเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นความจริงของพระเหลียเจ้านี้เหตุให้เกิดทุกก็เป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นความจริงของพระเรลียเจ้านี้ความดับทุกก็เป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นความจริงของ พระริยาเจ้านี้ทุกขันิโรธคามมนีปฏิปทานี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็เป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตและเป็นความจริงของพระริยาเจ้าเราท่านทั้งหลายก็ปรารถนาเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงในข้อนี้เราจึงได้นามคําว่าชาวพุทธไงเข้าใจคําว่าชาวพุทธไงถ้ายังไม่เข้าถึงสัจจะไม่เข้าถึงความจริงใน ในข้อนี้เราจกวิปลิดในสัจจะวิปลาดยังไงทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้แต่เราก็จับไม่กําหนดรู้เช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะในกระแสชีวิตในกระแสขันนักพระพิธรรมทั้งหลายเขารวบขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณขันเห็นไหมขันห้าเนี่ยเป็นทุกข ถ้าบอกเป็นทุกข์เป็นไงเป็นชาติติดทุกข์คือมันจะต้องหมุนไปสู่การเกิดเนี่ยแล้วมันเคยหมุนมาสู่การเกิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องตั้งอยู่ในชะลาทุกข์คือความแก่งอมของสรีระของอินทรีย์ทั้งหลายคือความโค้งงอทั้งหลายอะความเก่าความค้ามข้าของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยที่เรามีกันน่ะนับเข้าสู่วัยชะลากันแทบส่วนใหญ่ยังไม่ได้นั่งกันอยู่ใช่ไหม เนี่ยก็คือตั้งแต่เกิดมาความชลาก็เริ่มคืบครามเข้าสู่กระแสขันของท่านแต่ละท่านแล้วนี่ชลามันปรากฏกันหมดแล้วปรากฏมันไม่ใช่ปรากฏธรรมดามันปรากฏออกมาทำให้คนอื่นรู้โดยซ้ำไปว่าชลาปรากฏขนาดนั้นใช่มมันชลาปรากฏขนาดหนักไนงะสรีระก็โค้งงอผิวหนังก็เหี่ยวย่น ในตาก็ผ้ามัวหูก็เริ่มอื้ออแล้วก็เริ่มตึงใช่ไหมเนื้อตาก็บอดน่ะเข้าน่ะเข้าเนซืซรีละทั้งร่างกายทั้งหลายเนื้อก็เริ่มแล้วมันถ้าถามบอกว่าเราเนี่ยดูแลมันมาอย่างดีหมดเลยนะืกระแสะชีวิตของแต่ละชีวิตเนี่ยดูแลตาหูจมูกลิ้นกายดูแลมืหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเราตรวจสอบเราดูแลทุกวัน วันหนึ่งวันหนึ่งเราพยายามประครบประงมดูแลกันอยู่ตลอดถามบอกว่าเราทําดีกับมันขนาดเนี้ยแล้วเขาให้อะไรเราเขาให้อะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาอากักตันอยู่เขาไม่รู้จักคุณต่อได้ไหมก็เราดูแลตลอดประครบปงม แม้ที่จะนวดจะอะไรเขาก็ค่อยๆทําของอะไรมันดีที่สุดแล้วก็ค่อยเอามาโชว์โรมมาทาอะไรที่เห็นว่าดีที่สุดแล้วก็เข้าไปตามร้านต่างๆก็ไปซื้อมาก็มาคอยตรวจสอบดูแลดูแลฟันอย่างดีฟันมันก็จากไปแล้วดูแลผิวหนังอ่ะเริ่มไอผิวหนังดีๆมันก็หายไปก็เหลือแต่เหี่ยวย่นใช่ไหมดูแลตาอย่างดีใช้ยาอย่างดีไม่หยอด ในสุดจริงๆมันก็พรามวัวอย่างนี้เขาเรียกว่ามันอกติอยู่มันทรยศถ้าพูดกันอย่างภาษาสามีภรรยาเขาเรียกมันมีชู้แล้วมันนอกใจแล้วเป็นอย่างนี้เราจะไปอะไรอววรทาไมเมื่อเรารู้อย่างนี้เบดเสร็จแล้วต้องทำยังไงเราต้องฉลาดกับรูปประกายนี้ฉลาดยังไง ต้องรู้จักจะใช้มันเพื่อเป็นปัจจัยใ่การพอกพูนในการเจริญกุศลศีลเงไม่ใช่มาจมปากอยู่กับบาปกุศลธรรมันลามกแล้วมัวเมาเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเสียหายเลยเขาเรียกว่าไม่ฉลาดในการใช้รู ป, ปากายเพราะว่ามันหลอกใช้เราไว้ตั้งนานใช่ไหมใช่มันทําให้เราประคบประงมต่อไปเราก็ตั้งอัธยาศัยใช้โยนิโสมัสิการคิดใหม่คิดยังไงบอกเอาแล้วกายเอ้ย เรารู้จักเจ้าแล้วเจ้านี้อักตันย์อยู่ไม่รู้จักคุณเจ้านี้ทรยศหากหลังเราอยู่ตลอดเวลาเราดูแลดีขนาดไหนเจ้าก็ทําเราเะเจ็บปวดมากต่อไปเราจะรู้จักใช้เจ้าให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมโดยการดูแลพอควรแต่เอากายนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งการวิจัยเข้าถึงคําสอนเลยแล้วที่สุดจริงๆวันหนึ่งเราจะทิ้งกายเน่าเน่านี้ กระดุดดังซากสุนัขเนา่าโผคอนี้ไปแล้วเราจะไม่อยู่กับกายที่เน่าเปื่อยด้วยสรีระที่โค้งงออย่างนี้อีกต่อไปเราจะทิ้งอย่างถาวรเราจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะดับขันทัปปริมิพานตามพระพุทธเจ้าดีไหมถ้าคิดอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดแบบคนมีเป้าหมายไม่ใช่คิดแบบวันไปวันอย่าไปคิดอะไรมากไม่ใช่เลยนะการศึกษาคําสอนมันต้องคํานวณ เหมือนการที่เราคนบางคนจะไปแต่งงานยังคํานวณเลยใช่ไหมยังเคยคํานวณเลยว่าเออเนี่ยจะทํำยังไงจะสร้างฐานะครอบครัวยังไงอันนี้เป็นชาวพุทธแบบไม่คํานวณชีวิตนี่เป็นชาวพุทธแบบคิดผิดนะไม่คํานวณเลยเบื้องต้นชีวิตจะบ่งประกอบยังไงเบื้องทถ้ำกลางจะเป็นยังไงเช่นปฐมวัยจะทํำยังไงเนี่ยอันนี้ปฐมวัยทุติยวัยตติยวัยเนี่ยปฐมวัยใช่ไหม ถ้าประมาทมัวเมาในปฐมวัยก็เปื้องตนถอนตนออกเสียในในทุตีวัยนะทําตนให้บริสุทธิ์ในทุตีวัยเสียเอาถ้าไปประมาทในปฐมวัยตั้งแต่เกิดเย็นยี่ปีเนะี่ยไม่เคยรักษาศีนอย่างต่อเนื่องเลยไม่รู้จกักศิษย์คำว่าศีลเลยเนะี่ยอันนี้เสียหายพราเข้าถึงทุตีวัยอายุยี่หกปีนะก็เปื้องตนตอนอายุยี่หกปีเสียแล้วก็ทําตนให้บริสุทธิ์ศึกษาศีลสมาธิปัญญาของพระศาสดาเสีย แล้วก็เดินเสีย น, นี้เขาเรียกไม่ประมาทมัวเมาเลยเขาเรียกเปื้องตนทันเอาถ้าหากว่าประมาทมัวเมาในทุติยวัยตั้งแต่ยี่หกปียันห้าสิบปีทำไงก็เปื้องตนถอนตนออกจากบาป อ, อกุศลธรมรมำละมกนัน้นเสียในตดัดติยวัยเห็นไหมตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดขึ้นไปถ้าประมาทมัวเมาในตดัดติยวัยตัวใครก็ตัวใครแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย น, นี่ก็เรียบร้อยเลยก็เตรียมนู่นแหละ เราจะไปเอาอะไรไปรายงานเยือมาบาลถ้ายมมาบาลถามบอกว่าเจอเด็กๆ เ, เป็นยังไงเจอคนเกิดเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลย อ, อันนี้เป็นกา ร, รของเจ้านะใช่ไหมล้วก็เรียบร้อยเลยสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็เรียบร้อยเลยลงอาบายทุกขติมิธิบาสนะั้นเราก็เจ็บปวดที่สังสารวัตรเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างไงฉะนั้นตรงนี้ก็มันมีแค่สามวัยจะให้เราตัดสินเราก็ไปนั่งคิดตอนนี้เราอยู่ไวัยไหนน่ะ อยู่ในปฐมวัยหรือทุตยวัยหรือตาตีาวัยถ้าอยู่ในตาตยวัยไม่มีเวลาเตรียมตัวแล้วใช่ไหมเราจะไปเพื้องตนในจตุทวัยได้ไหมไวัยที่สีได้ไหมไม่มีแล้วจะไปเพื้องตนตอนจุติจิตได้ยังไงใช่ไหมตอนตายไม่ได้แล้วมันต้องเพื้องตนตอนเ น, นี้ตอนเนี้ก็แปลว่าโอ้โหเราประมาทในตาตีาวัยบางคนใช่ไหมปกติห้าสิบเนี่ยควรจะเข้าใจเรื่องศีลแล้ว คนประกวดอายุห้าสิปียังไม่เข้าใจเรื่องศีลเลยเนี่ยนี่เสียหายเลยนะเนี่ยก็นับถอยหลังไปทีจากนี้มาถึงห้าสิบเออจากห้าสิบมาเนี่ยมันกี่ปีแล้วเรากน็นึ่งนั่งนึกเลยโอ้โหนี่เราประมาทมากี่ปีแล้วเนี่ยเรายังเดินกุศลศีลไม่เป็นเลยนะอย่างนี้ก็เริ่มแต่นี้ก็ได้ฉุกคิดไม่ประมาทแล้วทุกวันจะต้องฟังเรื่องศีลเข้าใจเรื่องศีลให้ได้เพราะเป็นรากเป็นฐานเป็นเบื้องต้นใช่ไหมเหมือนเจดีย์ เราอยากจะสร้าง JD เจดีอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีฐานเลยอยากจะสร้างตึกก็ไม่มีฐานเลยอยากจะสร้างถนนเงี้ยจะทําถนนจากจังหวัดราชบุรีมากรุงเทพแต่อ๋โหไม่มีเลยไม่ได้อาดสายอัดพื้นไว้เลยเงี้ยได้ทำไงถนนมันจะลอยบนฟ้าได้ยังไงไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีเสาที่ถ้าจะทําสะพานลอยจะทําอะไรต่างๆมันก็ต้องมี การอัดพื้นให้แน่นชั้นใดตัวกุศลศีลก็อย่างเนี้ยพื้นฐานของชาวพุทธตอนนี้ถ้ารู้ว่าศีลมันสุดก็ศึกษาเรื่องศีลสิฮะอันนี้ประกันต่อมาก็ถามถึงอันิี้สองแล้วก็ข้อที่หถามเป็นอะไรเป็นสังกิเลตคือเห็นความเศร้าหมองเขาจะพูดถึงการเศร้าหมองของศีลเพื่อรู้เพื่อประโยชน์ต่อโวทานวัวทานก็คือทําขาวนะั้นทที่เข้าถึงความเป็นเหตุของแผ้วของศีลนั้นนะ อะไรเป็นเหตุผ่องแผ้วคือความบริสุทธิ์ของศีลนี่เป็นข้อที่หกเป็นต้นอันนี้ท่านถามนึงปัญหาของศีลสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านตั้งเป็นประเด็นปัญหาไว้เราท่านทั้งหลายก็จะได้ศึกษาปรับในเรื่องของศีลทีนี้พอพูดถึงศีลมีรู้เหลือแล้วเวลาอประมาณสามสิบนาทีอยี่สิบวินาทีตรงนี้นะ พอพูดถึงในเรื่องของศีลก็ต้องทำความเข้าใจอีกอย่างว่าโยมที่นั่งกันอยู่เนี่ยถ้าถามว่าใครศีลเป็นรูปหรือเป็นนามอาจตอบหน่อยทีเป็นนามแล้วนะเออเริ่มเข้าใจเลยนะศีลเป็นนามศีลไม่ใช่รูปนะ ศีลเป็นนามใช่ไหมแล้วเมื่อศีลเนี่ยเป็นนามอ่ะศีลในที่นี้ที่กําลังศึกษากันเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญแล้วนะนี่ก็เริ่มมองเห็นนิดๆแล้วนะเขที่บอกว่าในที่นี้เราศึกษาในแง่เดียวก่อนนะในแง่ของกุศลลศีลเราไม่ไปศึกษาในแง่ของอกุศลและศีลซึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไปขยายเมื่อความเข้าใจหรือปูพื้นฐานได้ชัดเจนแล้วนี่เราศึกษาในแง่ของกุศลศีลฉะนั้นกุศลศีลจึงเป็นบุญกุศลศีล น, นั้นจึงเป็นนามไม่ใช่เป็นรูปถามว่ากุศลศีลเนี่ยมีการเกิดดับไหมกุศลศีลมีการเกิดดับไหมมีใช่ไหมศีลเป็น รูปเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาขันเป็นสังขารขันหรือเป็นวิญญาณขันศีลเป็นขันอะไรเป็นเวทนาขันเพราะพระนามก็จะต้องเป็นเวทนาขันอย่างหนึ่งใช่ไหมคือสุขทุกเฉยเฉยเป็นสัญญาขันก็คือสัญญาที่จำได้หมายรู้ทั้งหลายเป็นสังขารขันหรือเป็นวิญญาณขัน ศีลเป็นขันอะไรในจำนวนานามขันสี <c oughs> น, นี่นะในที่นี้ไปดูคำว่า ก, กิงสีลังดูข้อตอบตรงนี้ท่านตอบอย่างนี้ว่าทมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้วิรัตอยู่ด้วยอำนาจของสมาทานวิรัตคืองดเว้นได้โดยการสมาทานถือเอาไว้และสัมปติวิรัต งดเว้นได้โดยมีอารมณ์ที่พึงงดเว้นมีสัตว์เป็นต้นปรากฏเฉพาะหน้าโดยไม่ให้โดยไม่ได้การทำการสมาทานไว้เป็นการงดเว้นจากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นโอ้ไม่เข้าใจเลยตรงนี้ก็คือว่าคืออย่างนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของเจตนาเป็นศีล ตรงนี้ท่านขยายคำว่าเจตนาเป็นศีลก็ไว้ตรงนี้ทำความเข้าใจก่อนนะว่าเจตนาเนี่ยเจตนาเป็นศีลท่านพูดถึงตัวเจตนาเจตสิกถามว่าเจตนาเป็นศีลที่พูดถึงเรื่องเจตนาเจตสิกเนี่ยเจตนาที่จะเป็นศีลในที่นี้ต้องเป็นเจตนาที่เป็นไปกับกุศลจิตนะ ถ้าเข้าใจตรงนี้ว่าเจตนาที่เป็นศีลเป็นเจตนาที่เป็นไปกับกุศลจิตนี่คือเจตนาเป็นศีลเป็นต้นนะทีนี้เจตนาเป็นศีลยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราตั้งใจในการที่จะสมาทานให้ตั้งใจที่จะสมาทานคือเจตนาเราจะสมาทานศีลและไอความตั้งใจความจงใจสภาวะที่จัดแจงพรงแต่งนั่นแหละ อันนั้นเลยเป็นเจตนาที่เป็นเครื่องที่จำเป็นปัจจัยแก่การที่จะงดเว้นจากบาปประกรรมทั้งหลายจากการที่กายยุจริตวิจิตุจริตทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นเจตนาความจงใจความตั้งใจต่างๆเหล่านั้นจึงจัดว่าเป็นศีลในข้อนี้ก่อน